มันมาเดือนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจาได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จาได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจาได้เราไม่ลืมแล้ว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 ความสุขความทุกข์ความยุ่งเยิงวุ่นวายชวนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนจะเกิดขึ้นมาจากความุ่งชานวุ่นวายยึดสายแ ส, ยสยปไปในแ้่ต่างๆด้วยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะิุณได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกตุกระเทือนได้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 ส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมัน่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ฮับมุ่งความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสําคัญของจิตเป็นหมาอัตตาหนี่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษ แห่ความไปสําคัญมันหมายความยินมั่นถือมั่นของจิจในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัด ด้วยปัญญาที่พี่ชายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนาแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนีเมื่อพิจารณาตามความจรงิงเห็นตามความจรงิงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่น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 ที่รวมแล้วเป็นผลหกองกทุกภาระใจท่านสอนให้ขี้คาอย่างนี้เมื่อขี้คาอย่างนั้นอยู่โดยสมสำ่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปลตต่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็มห้วใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวปล่อยอย่างไม่มีอะไรเสียดาย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 ไอ้ลูกเล้าล้านเลนของขเกลีมันออกมาจากไหนตั้งแต่สรรตัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วเกลียดนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันห ม, มาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลาดับลำดั บ, ดบนี่คือค้นดูเรื่องของจิต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 ตัดสะพานหมดที่จะไปสืต่ต่อกับตูก้กับเสียงกับกลิ่น ก, กับรดเครื่อสัมปัสทั่วโลกอินเดีหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบยับยิบยับอยู่ภายในนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นดนดนกระวนกระวหยก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น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 เรื่องมันก็มีแต่ยุ่ยักยุย่า ก, กอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดตลนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเคียบขุดคน้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบดและถกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป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 อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นจักรเป็นบุคคลท่องเทียนในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้นี่อย่าบอกคุ้ ย, ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสาคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก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 ทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆมาหยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลาบากของตนในพบน้อยพมใหญ่ได้คือตัวนี้ที่ตะมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จขึ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มีเนี่ยรู้เลยอย่างชัดๆในีเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมนัม้นก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลคหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไวแล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า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 เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอราหารันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศรราสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นาศาสตาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่กิโลกคือหมูสัตว์สาตาัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่กิ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 อะไรๆก็ไม่เถ่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความบุ่มความหลงเมื่อยิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทำลายสิ่งที่เป็นภายนีนทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตราภพกามาภพกูภพรูภพกพ็หมดมันอยู่ที่ใจการมาภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูภพ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 พระจ้าท่านสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสําคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้าไม่มีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทําไม่แก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจําเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กล้องฟืนกล อ, องไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุ้กร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วออไม่มีปัญหาออไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นกว่ามากจะขึ้นตรงนี้ าตายแล้วเกิดลึกตายแล้วศูนยะ์หลหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มี้ไหม ว, นนวันนี้ก็ถามบานรกสวรรค์มีไหมแล้วก็คี่เกี่ยวก็ตอบไม่รู้จะตอบอะไรเพผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วถ้าตอบไปให้เสียไป้องเวลาทําไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก่เหตุหรือ บ, บำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียควาทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนเพราะสอค้าทำสอนให้แก่ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดธรรมะนิยานิกรทําก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่งหลงด้วยสวค้าทํามนั้นอยู่แล้ว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 ละเอียไปจนระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลมด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื้อสื่งต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถา ม, มนม่เหละการแก้วความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นเนี่ ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้่อนอนซะดีนะ่ะมันจะตายแล้วนะั่นตายอยู่บนหมอนหรืว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ําทําลายมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุป๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ่ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อนั้น ไ, ได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามันได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวยจะว่าไงถ้าไม่ว่าบ่อยกลาเงเดือนของกิเลสชะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ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 ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษชายยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ํายังจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ี่เลกก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง เราจะยอมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมนั่นแหละน่าเฟะอยู่ในวตัฏฏะทุกสถเนีเแต่ว่าไงเราต้องการหรือว่าเป็นคนเหน่าเฟะทำไมต้องการสู้ที่นี่ทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางคณะจนะได้ถึงจะแพ้มากี่ขั้งก็าตามมีทางชณะในข้างหนึ่งจนได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะชนะชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้แล้วชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียดด้วยความขยันควางกบก้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจ มีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงแก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญนั่นหมายไปตั้งกับตั้งการก็แบกปัญหาปลาเกิดภาตาพ า, ท, า, พาทุกพารำบากอาน่นันแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีก็เสวยกันอยู่ทุกคนเนี่ยคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกเนะี่ยคำว่าบุญก็คือความสุข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 ซึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเฉพื่อยังยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหนักจนกรทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจในตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปจะไปถามมาที่ไหนสวรามิภารไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆทองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงา อได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวให้มีเท่านั้นทางพระพุทธเจ้าม่าจะหลอกคนให้บูกนั่นคํานีน่เอาตัวปินที่ตรงนี้ห้ราร่างจะเป็นธรรมเห็นว่าสมควร